เรเหว่าเป็ขาดีของวิเศษในความจริงจริงแไม่ใ่ขาดีมันเป็นตัวลูกแท้เลยคนที่จิตปัญญาไม่พอางหน้าร่างกายเป็นสุ่มว่าเป็นกว่าพเราพอมาเห็นค่ามดีแกแยงจะรู้เลย่าครเป็นูกจำนวนเมื่อเห็นว่าใครเป็นทั้งจำนนได้มัเป็นจะปอาความด่ได้เป็นปัญญาัตายเราถึงยัง มีตัวเราเป็ตั้งไปไม่ดนะัเบางทีดีถึง่ะาเห็นปตีึงแล้วตายน่าไก่เป็นต่อน่ตัวตูเห็นน่าใก่เป็นตัวูแล้วติดเนี่ยกิที่จะปล่อยไก่จะขวนเข้าหน้าขวดติดนำมาภานามาเรียนผู้วิธจิตจนมันเป็นใยญ่แย่รอดเหญ่ขั้นสุดท้าย เหตุกับจิตจิตนี่เป็นทุกข์โดยรวเราต่าเห็นทุกข์วักทุกข์เป็นจิตเราเป็นสุขวทุกข์วนเ่อเาเป็นทุกข์มีสองอย่างไมเ่จิตจะไม่ปล่างเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของกายปล่ากายได้เ็นทุกข์เป็นโทษของจิต็จะล่วางจิตได้ไปิไม่ล่อยวากายไม่ปล่าจิตได้จิตที่มันมีของยแก้ลอก หเราตอเรได้ครับโอเคขาเพื่อจะสอนมีดีเพื่อจะให้เรามาเรียนรู้แต่ไอเจรื่องทิงเป็นัรายอันตราไปเพราะไปหก็ยายากจรงๆะเลือาเลยเป็นส่ให้เห็นว่าเจิตผู้รู้เป็นตัวผู้ร้ันยากเพราะว่า ในน่องมี่เสร็จนตรวตัวภาวนาภาวนาแปที่ยตัวลดนิสัยคดยตัวนิสัยมีความสุขหลวง่ดูกตตัวเขาบกว่านักปฏิบัติที่เป็นปุบาทะผู้หัใหญ่ที่เสีย้ใหญ่จะสีหญ่คนสใหญ่ก็คือ ทำใหญ่ๆใหญ่ๆไม่ได้กนหรอกนิดๆนิดมาจะได้นิดหน่อยถ้าปวดจนมากทตัวแต่ข้นนได้ไหมครับาเ็จอต่อไปถ้าอนนี้เกิดได้ถ้ต่อไปอันนี้ถ้าชาใ่ๆแทนใหญยๆ่ลนั่งพแชรเราดนได้ก็ติเปียนไจเกิดีผู้ติด สังเกตในพระสูตรจะมีว่าจิต ม, มันเบื่อหน่ายตายกำหนัแต่ไม่มีคำว่าปล่อยวางหลุดพ้นไปเลยไ ม, ไม่ไม่มีคาว่าปล่อยวางปล่อยเมืเ่อไรก็ล่กนาวมันวางของมันเองในพระสูตรมีท่าน้าสติปัฏฐานจิตว่าดแจกไปจิ่กาะขันโดยคนอื่นทสติปัฏฐานนี่ไม้เกิดิ ถ้าเราเห็นความจริงการปฏิบัติการติดภาพแกะขันเป็นอยู่เท่านั้นแล้วเราเกิดเห็นได้เก็นได้ติดอารมณแยกกันสามส่วนเลยนะเหได้ปาแกะขันแบบติดภาพแกมณ์อย่นี้ร่างกายส่วนหนึติดส่วนหนึร่างกายเป็นารมณสิงีติดรสาสความตกนรมณ์ที่ติดเปรับภมุสาวนัทตัวตนเป็นอารมณ์ี วิญญาณที่เกิดจากปารูปเป็นกาใจเป็นสิ่งที่คิดถ่อาเท้าถูไปเรยอะไรจะเห็นจริงจะเหนภาพแก่ตอนแรกจาแก่งากระโดงไม่ยากขาติไที่เ้าสอเดือนเราตองติดแกอกจันได้ขาดสติไปเท้ากโดงนี เราพิจารณาเช่นเฮ้ยจมูกพ hey, hey? ี่ดีทุกไม่ใช่ดีเลยทำที่ได้ที่ได้เด็กสามารถทำที่ของเขาช่วยช่วยอะไรดูนะแค่ดูเฮ้ยว่าพ เรืงุกขจะเปลนเรื่องุกรคะแต่นเรั้ัาจต่ราุเ้าสดสาที่สที่าเิ่รความเคลนหวเปลี่ยนแปลงของกาใจมาที่เป็นความตั้งมันของสติอตัวมาเป็นผู้มีดู่เรื่อ อารมณ์เป็นผูรู้้ดูประเด็นวามิแต่ถ้าจิตเนี่ยไว่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเข้าไปแทกแทรกจไม่เห็นควจิงเวลาเราพาสนะเราค่อยเกิดแสตปิเกิดผีเกิดแสตสมาที the true, also, ่เกิดโดยที่ไม่เจตนาเราพกดมากแสตปิจะเป็นอารมณ์มากอารมณ์ที่จะอามมากว่าเปนจระย้าอามถ้าสติสมาธิ เกิดอาลัยมาใ น, านดวงใจมีความดวงใจที่ทำสติดวงใจทกสมาธิดวงใจเป็นปัญตาดวงความดกงใจทำให้จิดดตเรื่องหลุกลดกวงใจความดวนใจนี้ว่ามันสัญญาจตนาเป็นปัจจัยใ้เกิดการกระทกรรมของจิตจิตจะทำงทำานขึ้นจิตจะสร้างภพสร้างชามิที่มีนมานวัฏะ แล้วเราฝึดเป็นขนาดมันลงมันมีความตรงไกลเหนือย่เลยเร็นส่วที่มันจกเข้าใจสติเรียนรู้อยู่ที่จิตมันไม่เจตนาเลยสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันไม่เจตนาจะตั้งมันปัญญาเห็นความเกิดดับไปจิงมันไม่เจตนาเอถ้าเจตนานีนไม่เกิดเลยมันต้องต้องใช่ไมธรรมใช่ คดอมีสาวทิรงรับทั้งหมดนี่เราก็หดูภาวที่ได้ไม่ใใจันสน่นผู้ดีะกุณ